บทอารมณ์เป็นบทมักกยามีหกสิบองค์การมีเป้าหมายเช่นเดียวกับบทมักคิยาะอื่นๆที่ความสนใจต่อหลักการศรัทธาของอิสลามโดยทั่วๆไปนั่นคือการให้ความเป็นเอกภาพต่ออโลต่อศาลและต่อการฟื้นขื่นชีพและการตอบแทนบทนี้ได้เริ่มโดยการกล่าวถึงเหตุการณ์เร้นลับครั้งสาคัญซึ่งอัลกุรอานได้กล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนเกิดขึ้นนั่นก็คือชัยชนะของพวกโรมัน ที่มีต่อพวกเปอร์เซียในการทําสงครามระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้แล้วเหตุการณ์นั้นก็ได้เกิดขึ้นตามที่อัลกุรอานได้บอกไว้ดังนั้นการคาดหมายจึงได้ประจักษ์ขึ้นจริงอันนี้นับได้ว่าเป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดแจ้งถึงความศัจธรรมของ ท, ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลลฮุอะไลฮุสสลัมตามที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์และนับได้ว่าเป็นสิ่งที่มหศัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของอัลกุรอาน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 และต่อต้านการเรียกร้องเชิญชวนของบรรดารอซูลอะลัยฮิสสลัมองค์การหลายองค์การได้ยืนยันเป็นหลักฐานถึงชัยชนะของสศธรรมที่มีเนื้อความเด็ดตลอดเวลาในหลายยุคหลายสมัยนั่นคือแนวทางของอัลลอฮ์ซึ่งจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นอันขาดบทนี้ได้กล่าวถึงวันอวสานและวันเกียร์มากล่าวถึงชะตากรรมอเลวร้ายของพวกปฏิเสธศรัทธา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 บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงพวกปฏิเสธชาวกูเรชโดยที่สัญญาณต่างๆและการตักเตือนไม่เกิดผลประโยชน์อันใดแก่พวกเขาเลยแม้ว่าพวกเขาจะได้เห็นสัญญาณและหลักฐานอันชัดแจ้งแล้วก็ตามพวกเขาไม่ได้ใคร่ควรวญและก็ยึดถือเป็นบทเรียนเพราะพวกเขาเปรียบเสมือนคนตายซึ่งไม่ได้ยินและไม่ได้เห็นทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งหมายที่จะปลอบใจท่านรอสูดูร์ลส์สลอล ล, ล์ฮวนเดอสัลลัม พระท่านกำลังเผชิญกับการทำร้ายของพวกบูชาจเวตและเพื่อท่านอดทนไปจนกว่าชัยชนะจะมาถึงบทอารุมถูกขนานชื่อเช่นนี้ก็เพื่อเป็นการดำลึกถึงเหตุการณ์ปฏิหารสำคัญในครั้งนั้นและยังเป็นการชี้แนะเห็นถึงข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในอัลกุรอานอีกด้วยด้วยพระนามของอัลลอฮ ผู้ทงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออลิฟลามมีมอาลิฟลามมีมโกลิบติอุมฟีอดนัลอ ل ลดดีวะฮุมมินบัดโกลบิมไซยุลิบบนฟีบิดอสนินลิลลาฮิลอัมรุมิควัลลุวะมินบัด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 ่มนุษพวกเขารู้แต่เพียงผิวเผินในเรื่องการดำรงชีวิตในโลกนี้และพวกเขาไม่คำนึงถึงการมีชีวิตอยู่ในประโลหิต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 ต้อการพบพระผู้อภิบาลของพวกเขา พวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินดอกหรือแล้วพิจารณาดูว่าบ้านปลายของคนในยุค ก, ก่อนหน้าพวกเขาเป็นเช่นใด เขาเหล่านั้นมีพลังเข้มแข็งกว่าพวกเขาพวกเขานั้นขุดพลวนดินและก่อสร้างเคหสถานมากกว่าพวกเขาก่อสร้างมและบรรดาศาสนาทูตของพวกเขาก็ได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและอลัลลอฮ์ไม่ได้ทรงอาธรรมต่อพวกเขาแต่ถ้าว่าพวกเขาตังหากที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเอง